วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์หมอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่ปัญษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรเพลิ น, นี้กระผมให้เขาจัดสำเร็จด้วยอาการทวงเกิน3ามครั้งยืนเกินหกครั้งเป็นนิสกีกระผมสละจีวรเพล น, นี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ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 กราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวันเพลินนี้กระผมให้เขาจัดสําเร็จด้วยอาการทวงเกินสามครั้งยืนเกิน6ครั้งเป็นนิสกีกระผมสละจีวันืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้า จีวัเผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวันเผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งผมปุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับจีวันเผืนนี้กระผมให้เขาจัดสําเร็จด้วยอาการทวงเกินสามครั้ง ยืนเกินหกครั้งเป็นนิสกีกระผมสละจีวรพืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วเคิรนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมเคิรนจีวรพืนนี้ให้แก่ท่านถ้าทำไม่สำเร็จพึงไปเองหรือส่งพูดไปในสำนักที่เขาส่งรั์เป็น่าจีวรมากล่าวว่าซัท์ที่ท่านส่งไปเจาะจงภิกษุรูปใด ไม่ได้อำนวยประโยชน์อะไรแกภิกษุรูปนั้นเลยท่านจงทวงทรัพย์ของท่านคืนมาทรัพย์ของท่านอย่าชิบหายเลยคำ ว, ว่านี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นคือนี้เป็นความถูกต้องในเรื่องนั้น